ว่าอัลลอฮ์ตอลบู 30 เมษายน 2533 ถ้า มาคุยกันต่อไปที่ได้มา 6 กิโลเมตร ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมไปด้วย 4 คนและทหาร 1 คนแล้วก็ที่มีพระร่วมไปก็คือบัญชา พระบรรดากาไปที่โรลแล้ว 23 เมษายน 2533 ถ้าจํา 7 ของ แต่ว่าทางฝ่ายเจ้าภาพ 6 แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ 7 คือวันที่ 1 เมษายนไปถามท่านเจ้าหน้าอําเภอท่านเจ้าหน้าอําเภอบอกว่าถ้านับกันจริงๆต้องเป็น เพราะว่าเมื่อคณะเมื่อวันเท้าเอ่อเท้าเป็นเป็นก้าวเท้า แล้วก็ถวายปัจจัยที่บรรยายดาวลูกหลานทั้งหลายให้มีอยู่ไปคนในกระเป๋าคนไปคนมาได้ 10,000 บาทขอทําบุญเริ่มต้นในการทําศพของ ตั้ง 100,000 บาทความจริงคือเป็น แต่เรื่องความตายนี่มันเป็นของธรรมดาก็จริงแหละแต่ พระนมัสการท่านกลายเป็นว่าท่านดีมากมี ตอนไหนได้มีโอกาสเข้าใกล้ท่านก็ทราบถึงในความดีของท่านว่าท่านเป็นพระที่ดีจริงๆตรงไปตรงมาและมีคุณธรรมจริงๆแต่ว่าการตายตามเท่าที่ทราบมาเป็นอย่างนี้เขา หมอก็ตามปรุงแล้วนะแล้วปีมาเมื่อหยิบประตินิร 100 ปี แต่เอออายุตั้ง 95 จะให้มัน ตามข่าวเขาบอกเพียง เวลาที่เค้านำอาหารเพลไปให้เม 24 เมษายน 2533 ทันวัยบรรดา มันปวดเท้าๆแต่ว่าทําหน้าตาแช่มชื่นอาศัยการอดทนตามที่พระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติ เรื่องนี้เป็นธรรมะธัมโมที่เป็นสาระจริงๆก็ทนตอบแล้วก็ตอบด้วยความเต็มใจแล้วก็ดีจริงวันนั้นไม่ เคยพูดกับท่านก็เคยพูดเรื่องการ ในเมื่อใจมาเมื่อใจมาก็ส่งเครื่องสักการะแล้วว่าเพิ่นเริ่มไล่ที่นามเปิ่นนั้นว่าคุยถึงท่านต้องขอ ก็ถือว่าอารมณ์ของเด็กหรือคนป่าเป็นเกณฑ์คนเมืองผู้ดีก็ตามเรื่องเศรษฐีอะไรก็ตามพระผู้ดีพวกผู้ คณะที่นั่งคุยถึงณจังหวัดอุทยานีถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่าท่านไปไหนการถามอย่างนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่าน พระมัยก็ว่าสมกับท่านอยู่นั่นแต่พอตอบเท่านั้นบรรดาท่านผู้ฟังรถท่านผมอ่าน ถ้าเวลาไหนจิตสะอาดถึงนิพพานจริงก็ได้ตรงไปตรงมาจิตไม่สะอาดถึงนิพพานก็ไม่ไม่ได้ตรงไปตรงมาแต่ในเวลานั้นไม่ใช่เวลา รูปภาพน่ะมันเป็น 2 2 ภาพภาพนึงเป็นภาพท่านเจ้าอาวาสจังหวัดอุไทธานีเจ้าคุณราชอุไทกวีเรียกว่าหลวงพ่ออุไทกวีราชไพศาลกวีก็แล้วกันอาตมาเรียกหลวงพ่อท่าน ร้องหลับตาอนิทก็เห็นลืมตาก็เห็นญาณนี้ท่านผู้ตายเห็นยืนที่ท่านหลายไม่เคยเห็นผี จะยกมือไหว้ก็เกรงว่าเขาจะหาว่าบาปอยู่ๆก็ไหว้ ก็ถามว่าอนาคามีกับนิพพานมันก็ไม่ไกลถ้าบอกว่าอีกตอนก่อนจะไปมันมีกังวลเรื่องเงินนิดหน่อยเลยถามว่าแก่แล้วจะ นะแล้วท่านผู้ฟังและผู้อ่านนี่เป็นเรื่องที่ผีหลอกกลางวันเพราะเล่มนี้เป็นคุยเรื่อง เป็นภมข์อนาคามีวันนี้ก็เลยไปนมัสการเดินขึ้นไปรับแขกกับเด็กกับเด็กกับ <c oughs> นirm Yourrigan รีบรสเว palm kwz นิงริบรั dashi amيge deuxièmeишham pat γェรม. grund Heaven Ninja and dog หรอกเส craug the wygląda พก COP&พลาหมาพันi amm at one of the city of Allah disgrетров angen her aniek Shernai ครับการทรุงพกกรร должны просьban เม camino São 2 may sorry開始 น่ את 3 days on the streets แล้วพกคุณ spirits พกพกพ comp e kwa abys Radaya 통iasta มาหา แต่มันว่าเพราะเอาพกปhad необ препごお is a ragad ดอ McG条 ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีอาการปวดคลาย <c oughs> <c oughs> งานสงกรานต์มี 16 ก่อนจะ 12 เอ่อจ่า 2 สามีปัญญานํารถเบนซ์มาถวายราคา 3,550,000 กองกบเงินติดตามอีกบาทถ้าคณะที่ติดตามมาที่หลังก็ไม่ น่าจะล้าน 5 ล้านแสนล้านยิ่งเด็กๆเล็กๆพี่หมดไม่มีๆยากที่จะเม 16 เมษายน นั่งนั่งรับแขกอยู่ก็เห็นพระท่านมาพระท่านลอยมานาอากาศท่าน พอหอรับศาลา 12 ไร่นี่บรรดาท่านฟังอ่านท่านฟังไม่มีอะไรเลยคือพระก็ดีจริงๆพระ จนกระทั่ง 18 มันจะ 28 และก็ยังต้อง 12 ไร่ตอนเช้ารอบแรก 4:00 เนี่ยเต็มกันแน่งๆคนถ้า 4 ครั้งนั่นจะ 2 เบียดเสีย 3 ประมาณ 4 ไร่อัศจรรย์ตอนนี้มี เอ่อคราวนี้ญาติโยมจะทําบุญทั้งหมด เอารายการพิเศษตามนี้ 1 คุณจะต้องปูพื้นคอนกรีตเอา 2 ล้านบาท 2 ล้าน 2 เตรียมเงิน ที่ 2 ล้าน 2 เห็นอวัยวะภายบาท 3 เตรียมค่าเงินซื้อกระจกแต่ทองปิดพระ 8 ศอกทั้งแถนด้วย 250,000 บาทแล้วก็ราคาหนังสือที่พิมพ์แตกหนังสือเล่มใหญ่ แล้วก็ค่าค่าพระแก้ว 30 อีก 100,000 อีก 123,000 บาทเศษรวม อันนี้ไม่ใช่รายการมาเผ่า กับเอาเงินถวายพระองค์ละ 1,300 บาท ผีที่ดีกาวนี้เป็นผียอดแห่ง ก็คุยกัน แต่บังเอิญไปตรงกับทำบุญ 7 วันเราไปก็กลายเป็นพระเกินที่ประการหนึ่งก็ เดือนนี้จ่ายไปแล้วเท่า อย่าเปนะฟังท่านนั้นลืมตายกําลัง ถ้าตายพระสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้น่ะมันลงนรกไม่ได้ถ้าอยากจะถามว่าถ้าคนเคยทําบาป <c oughs> ท่านปรารภกับโยมชีที่ 95 รนิวะมันจะตายก็ไม่ตายอยู่ไปกระลําบากแต่เท่าที่ทราบมา บอกด้วยวาจาด้วยให้บันทึกเสียงไว้ด้วยแล้วก็ให้บันทึกมันเป็นหนังสือ คนในที่นี้คือไม่ ถ้าเวลา 2 ยามไม่ไปก็ยังไม่ต้องไปอยู่หลายปีเขายัง 13 เมษายน ก็เป็นภาระที่ท่านตัดความทุกข์ต่อไปนี้ก็มีแต่ความสุข อาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผีท่านเจ้าหน้าจังหวัดท่านจะบอกตรงหรือไม่ตรงแต่ขอท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าโลกที่โกหกก็มีโลกเดียวคือโลกมนุษย์แต่เวลานี้อาตมาไม่ได้ พอมีเรื่องสวัสดี